ต่อไปจะได้สวดหน้า64สวันธามิเจทยังปดไหว้พระเจดี วันทามิเจติยังสับปางสับพาทานเอเสวติติตังสารีริกทาตุมหาโอเถึงพคตรรู้ฟังสกัลังสตาวันทามิพุทธังภาวะปารตินังติโลกเกตุติภเวจนะทังโยน โลกาเศธโธสังขระกิเลสังขิตวานาโพเทศิชนังอนันตังยังนามตาญาณทิยาภุริเนเอจติเรยังสัจพันทะคกิริเกสุมาณาจะรักเกียรยังตัดทะยอนกับุเรมุนิโนจะป่าทางต่างปาทลัน จะนัมมะหังศิลัสสังนัมมิสุวรรณนมาลิเกสุวรรณนัปพะเตสุมาณฑคุเตโยนะกะคุเลนัมมะทายะนติยาปัญจพัทวาลังทาน ทานทิธุรโตุอี๊เจวามาจันตนามาเสนีย์นามาสมาโนรัตนายังยังผลยาปิสันทังวิปุลังอลัตังตัสสานุภาเวนะตันตรายโยอามัาตยามิหัวพขคเวปฏิเวตยามิหัวพิค เวคยาวิยธรรมมาสำครญอัปปมาเทนสัมปะทาติ